ร่างกายมันไม่ค่อยสบายออกจากมาเมืองนอกมาเลยไม่ได้จำภาษาอย่างนี้นะไปพักโน้นรักษาโรคทุกวัน น, นิน้อยนิดโยงไปเลยนะอยู่ออกภาษาเล้วขาว่าไปโ น, น่นปากพูดวายหนึง่งเรียไม่นามูลนะโยงก็ไปไม่ได้แล้วนะรถใหญ่ก็ไปไม่ได้มันยึนด ก, กันอยู่ข้างนอกอยู่ตันนะ้งนานฝึสมา ก็มาไปชมเนี่ยไปชุมาไปชงท้าประธานเนี่ยไปทับยืนอืมพอชุมมันเสร็จแล้วก็ไปชกันกรมบนการจ่ายเงินเข้าไปอืมกำหนดราคามันหลามีสามแสนห้าถึงแปดเก็ทำป็นมนน า, น า, านา น, นเสร็จจะทำท้าประธานเนี่ยมันเสียใจ จะพยายามทำซุ้มตรงนี้มันเส็จะไปทาไปเดี๋ยวจะเดีจะตัดดกนิดๆจะมั่งโย่ดูนิดๆยังไม่ได้ตัดตรงนั้นเอาไว้นั่นก่อนทำ ร, บรอบๆอันยังมีเศษมันเศษมันไม่ทปีนี่ขึ้นขึ้นมาด้วยว่เแี่ยขึ้นมาพาริศาเนี่ขึ้นขึ้นมา ฮะเออแม้พั ก, กันสรับกานงานมานะแต่ความไปจริงมารู้นี่มันดีนะมันไม่ร้อนแม้จะข้างคืนก็นไปตรงกลางหเยน็นสบายยู่ก็ไม่มีอาจจะมาเคยแนะ น, นาพวกชาวญาติโยมในพระนครใครๆทุกคนทำใจไปในใจของเราทุกคนเถอะให้มาทุรง ภาคีสาลนี่ปีละครั้งอย่างน้อยท่านถ้ายังไปทดลงนี่เราก็ไปทดลองไปอีกนีอย่างมาให้ทดลองกันกันมันมันมันประสบก็ไปรูปเสียงปิ่นมันมากแล้วนะคุ้มปีหนึ่งเดี๋ยวก็ออกมาสักปีหนึ่งไม่อยู่ในป่าี่ยยังไงล่ะมองดูในป่านี้มันฮงนี่มันมีความรู้สึกน่ะมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งมันอยู่ในป่า เกิดความรู้สึกนึกคิดเกือความคิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเย็นๆอย่างนี้ใหมันมันรู้จักมีถ้าเราไปหมักอยู่ในกรุงเทพไงเงียบๆเท่านั้นเงียบๆเท่านั้นแล้วนนานมาที่นี่รู้สึกสบายใจพี่มานอนค้างตั้งคืนหนึ่งกลาคืนมานอนค้างในป่า กลาคือในทำวาดกันไหนนั่งกรรมฐ า, านกันในดูเจ้าของอยู่กรุงเทพมันไม่เคยจะได้ดูเจ้าของนะมะัม้งนี่จะคุปจะเงินอยู่นั่นแล้คุป ม, มาก็ดูมือไปอีกก็จะคุป ม, มาอีกดูอย่างนั้นแหละวนุ่นไม่เคยไม่เคยได้ตะคุปเจ้าของหล่ น, นรถายทางรถเมีตะพฤกตะฟื้ เป็นไปอยู่อย่างนั้นเี่ควรหาเวลาออกมาปีละครั้งก็ยึงดีมาส่วนใหญ่อย่างนี้บางโยมผู้ชายผู้หญิงบางคนก็วันร่กลับมากลับมาใหม่ท้าไม่กลับมาใหม่ทั้งว่ะมามากคนไปถนัดแม่เป็นอย่างนั้นเะรอว่า อย่นี้จะโกนกันขึ้นรถอย่างจะโกนกันลงรถอะไรวุ่นนไปหยุดการตลาดดิีใครจะไปซื้ออาหารคนนั้นไปนั้นคนนี้ไปนี่เลยวุ่นแกโดนโมเดลย่างโมดเดลย่างโมดเดลย่างคนโน้นเอาน้นคนนี้เอานี่บางทีได้เกิดไม่สบายใจโกรธบางคนโกรธ<ม>ไม่ทันเพื่อนก็ไดีโกรธ เก้าหมอเมื่อวานใช้ยังนั่นก็มีมันมากคนที่เด็เขาอวันนัังมาใหม่เฉยมารถไฟผึดๆๆดดมาลงนี่มาข้างทักสามคืนทุกเจ็ดคืนเพราะว่ามันแน่ดีึงสบายมันนั่งสมาธิทำสมาธิโดยมากถ้าหากว่าคนเรา ถ้าตามรู้จิตใจของเราเหมือนเราตามหาแนวอื่นยังไงเนยมันมันไปไกลแล้วก่านี้นะมันไปไกลแล้วจิตใจของเราเนี่ยทุกวันบางทีเกิดมาไม่เคยมองดูจิตใจของเราเนะ่จิตใจเราโหทร้ายก็ไม่รู้จัดจิตใจเรามันทุกข์ก็เลยไม่รู้จักถมิเตเสริมเติมเพิ่มต่อมันอยู่เรื่อย ไม่เคยดูเจ้าของสักทีพระพุทธองค์อจารสอนว่าวันคืนเนี่ยร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คำพูดอันนี้มันมีอยู่ในตัวหนังสืออ่านเนียแล้วไปอ่านเนียแล้วไปอ่านจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันมาวันคืนแลร่วงไปร่วงไป บัดนี้เราทําอะไรอยู่มันก็รู้เท่านี้แหละอืมมันก็รู้เท่านี้ไม่ค้นคิดตรงไปว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่คืออะไเรามีสติความระดึกได้ยสำเภาชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอมาเราทําอะไรอยู่เดีย๋ยวนี้เราโกหกเราโกหกตัวเองหรือเปล่าโกหกคนอื่นหรือเปล่านะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จกักไอคนนี้มันไม่โกหกคนอื่นมันโกโกหกเจ้าของอ่ะไม่รู้เรื่องเรื่องโกหกคนอื่นพอรู้สักนิดนึ่งเรื่องโกหกเจ้าของนี่ไม่รู้ไม่รู้เลยเรื่องโกหกเจ้าของมันทําให้ใจสบายเขานึ่องมาทําให้ใจสบายแต่โกหกเจ้าของอะ่ะ อ, อืนี่ความเป็นจริงไม่ไม่ค่อยดูเจ้าของ ว่าเราทำอะไรอยู่ต่ความเป็นจริงคำนี้มันเป็นคำหนักนะพระพุทธองค์ท่านเน้นในเรารูตัวเรานะไน่นจักไปปล่อยตัวเราสิท่านเน้นหนักม่าให้เรารูตัวเราเองก็เพราะเราเกิดมาแล้วก็มาเราคนเดียวลงมามาเองไปเองทำชั่วแล้วก็ทำเองทำดีก็ทำเองถ้าทำเองเท่นั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าถ่ายมาให้นิ่งหนักกว่าเราทำอะไรอยู่วันคืนลงไปตรงไปเน้จัดถ้ารู้จักว่าเราทำอะไรอยู่มันก็มีที่พึ่งอย่างวันนี้เราเราไปทำอย่างนั้นที่ถูกต้องอยู่แล้วไอ้อเพื่อนคนอื่นไม่ไอ้อคุณทำนี่ไม่ดี่เหนั้น โกรธเห็นเขาซะแล้วนี่คือคนทำดีอยู่แต่ว่าคิดไม่ดี <c oughs> เราทำดีอยู่แล้วก็คิดไม่ดีคนอื่นว่าไม่ดีก็้วยไม่ดีไปกระเขาไปเราทำดีอยู่คนอื่นว่าไม่ดีเ้าก็ดีที่เรายืนยันที่เราทาดีอยู่เนี่ยเราบรดีพูด่าววันนี้มันอิ่มแล้วไอ้คนอื่นว่าอ้เธอยังไม่อิม่มจะทำงาง เราจะเชื่อใครไหมแล้วก็เชื่อเราจะไปเชื่อกับเขาไงเราอิ่มแล้วเราเชื่อตัวเราอย่างนี้มันก็พึ่งตัวของเราเนี่ยเมื่อเรารู้จักตัวของเราเราก็พึ่งตัวเราเหมือนก็เรียต่อไปถึงว่าอัตโนโชทยา ต, ตนางจงเตือนตนด้วยตนเองนใครทุกคนมานี่ถ้าหากว่าเข้าใจคำนี้ก็ไม่ผิด จะทำอะไรเตือนเรื่อยๆมันจะทำกิดก็เตือนเ้วมันจะทำอะไรก็เตือนจะของยื่อด้วยอันนี้ไม่ค่อยจะเตือนเนอะมั้งนี่ไอ้คนอื่นเตือนเราก็โปรดใช่รอยไม่เชื่อเนี่ยถ้าหากว่าเรามันอยู่ก็ตัวเราไอ้คนอื่นอย่างนี้ก็ย่างอัตมาเนี่ยอาจจะมาเตือนนี่กีเรือนกีปีถึงมหาอัตมาเนี่ยอาจจะมาจะได้เตือนนี่นะถ้าเราไม่มีอะไรที่ว่าเตือนตัวเราเองเนอะโอ้ มันไม่มีที่พึ่งละเราจะต้องเตือนตัวเราดิเราเองเพราะไอ้ทาชั่วเราก็ทําเองทําดีเราก็ทําเองอะไรอะไรทําเองเท่านั้ น, นตัวเองตัวเอ ง, เ อ, งอัตโนะโยทะยัตนางจงเตือนตนในตนเองเรานั่งเราก็ไปด้วยกันกับเราเรานอนเราก็ไปด้วยกันกับเรา เราเดินเราไปด้วยกันกับเราไปด้วยกันทั้งนั้นเลยอืมด้ดยไปทั้งนั้นอย่างนั้นจะหากว่าเราถารู้จักตัวของเราแล้วนะมันไม่พลาดมันมีที่พึ่งอย่างแน่นอนอืมอะไรเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรารู้จักเราตัวลีบุตรทอย่าง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 อ <passe S 1> ืมอ่ายัไงให้เราเข้าใจอย่างนี้อืมเราเข้าใจดีอย่างนี้เราไม่ไม่เคลื่อนจากที่มันเรกพระพุทธเจ้าตอนนี้เชื่อตัวเราเตือนตัวเราทุกเวลาถ้ารู้จักตัวเราเนี่ยมันก็รู้จักเตือนเรารู้จักตน้นอัตโนโจทยจตตัติกำลังจึงเตือนตนเลยตนเองตนนั้นมันคืออะไรอืมตนมันคืออะไร อืมให้เข้าใจว่าตนนี่ยนี่เนี่ยตนของตนมันเป็นตนมันก็พึ่งต้นไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราเห็นตนไม่ใช่ว่าเราเห็นแข่งเห็นขาเห็นอวัยวะนี่เว่าเราเห็นต้นอืแต่เห็นต้นขนาดนี้เป็นเหตุเห็นต้นพอจะเป็นเหตุว่าให้เรามีความยึดมั่นถือมั่น ตนดีตนไม่ดีตนฉลาดตนงูสารพัดอย่าง <c oughs> พระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าให้รู้จักให้รู้จักตนคนที่ไม่รู้จักตนก็เห็นตนเหมือนกันเนี่ยานึ่องว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นตน ใครจะมากรรมกายไม่ได้ดูถูกไม่ได้เนียนตาไม่ได้เสนอเสือนี่ตนทั้งนั้นเนี่นี่เนีว่าเราเห็นตนเห็นตนเฉนียดนี่ว่าเห็นตนโดยที่ว่าตาเนื้ไม่ใช่ตาในตาในไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อนี่เชื่อมันไหมมันเคยโกหกไหมอืมอันมันโกหกตาเนื้อมันจึงเป็นทุกข์อยู่ไม่หยู่ ทีๆไปเรื่อยๆรๆเรืยเนี่ยมันไม่เห็นความจริงโดยปัญญาคือต า, จาใจไอ้คนที่เห็นตนคือตานายคือเห็นตนโดยที่ว่ามิใช่ตนเนี่ยมันออกไปโน่นอีกแล้วมันไม่อยู่เนี่ยเห็นตนว่ามิใช่ตนมิใช่ตน ถ้าเห็นต้นมันก็คอยตามทําตนมันโตขึ้นโตขึ้นทําะไรก็เพื่อตนเพื่อตนก็เป็นคนเห็นแก่ตนมดอืมนะถ้าเห็นคนเห็นแก่ตนก็เอาเปรียบคนอื่นเขาด้วยไปเห็นไหมอืมหยิบส่วนแบ่งไม่ยอมเอาส่วนน้อยกว่าเขาก็เอาส่วนมากกว่าเขาดีเอาส่วนน้อยกว่าเข า, เาเหรือ เ, เสมอเขานี่ไม่ยอมนี่ไม่ใช่คนเห็นตนอ่ะ เห็นอยู่แต่ว่ามันเห็นตนเนี่ยมันแบกตนแบกไปจนมันจะล้มจนมันจะตายแบกตนเนี่ยไปทางไหนก็เกิดกัดตรงนั้นเนี่ยอืมอ่ะไม่สบายใจอันนี้เดี๋ยวไอ้ความเห็นตนในโลกเห็นตนว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาโดยยึดมันเป็นอุปทานมันเป็นภพแล้ะมันก็เป็นชาติเกิดขึ้นมานี่ในคาที่ว่า ตักเตือนตนไอ้ตนนั่นนะ่ะจริงจริงนะ่ะมันเป็นอัดจาร์ดตนจริงจิงเไม่ใช่อย่างนั้นกรองไปอีกทีหนึ่งเจ้กรองน้ําน้ํานี่มันขุณนี่กรองซะเห็นน้ำที่ใสออกมาจากน้ําคุณน่ะเป็นน้ำใสนี่กรองตนนะ่ะ อ, ออกไปมันเป็นอนัตตาออกจากอตาัตจา โดยเป็นคนมิใช่ตนมิใช่ตัวมิใช่ตนถ้าเห็นว่ามันมิใช่ตนมั น, เ ป, นเป็นอนตาตาเป็นอนัตตาอนัตตามันก็ไม่มีตนตามความเข้าใจตามปัญญาไอ้คนมันวนอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตนหรือไม่ใช่ตนนี่มันมุ่นกหลือเกินบางคนเขาจะไม่ใช่ตนแล่จะไปทาอะไรละ่ะ พระพุทธเจ้าแต่ไมอนัตตาไม่ใช่ตนไม่เอาตนจะไปเอาอะไรอนัตตาเด็วก็ไม่มีอะไรจะไปเอาอะไรกันเราต้องรู้จักสมมติตนอนตาอนัตตามันซ้อนกันอยู่โยมเคยไปตลาดัหมเคยไปเห็นเคนไปซื้อมะพร้ามาไหมไปซื้อกล้วยมาไมเนี่ย นี่อย่างนี้ไปตลาดไปซื้อกล่วยมาซึ้อ ม, มาพ้ามาทางใบดูเงินถือมาเลยไปเปลือกมันก็มีกระลามันก็มีมันติดมานั้นแหละซื้อมาจากตลาดเดินตามถนนมามีคนดื่นถามว่าไอ้คุณถืออะไรมันโอ๊ยฉันไปตลาดไปซื้อมาพระมากแกงนะอาทําไมเอาอย่างนั้น呐 เปลือกมันแกก็จะแกงเนื้อน่ะเปล่ากระามันคุณก็จะแกงเนื้เปล่าเอาซือมาทาไมซื้อมาทำไ ม, อ ม, ำ ไ, มไอคนที่ไปซื้อมาพรามาน่นก็ไปซื้อมาพราวมาเพื่อให้มันทำประโยชน์เปลือกมันนั่นเขารู้แลว้วว่ามันกินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อน เวลามันเขาก็รู้ว่ากินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลามันจะทิ้งก็ต้องถือมาก่อนนี่คือตัวสมมุติจ่องสมมุติว่านายคอนายขอนายคอนายงอก่อนนี่คือตัวสมมุติเราไปซื้อมะพร้าวมาอย่าไปห้งเปลือกมะพร้าวสิอย่าไปห้งกะรามะพร้าวสิที่แม่เขาต่อว่าไอ้คุณนี่มันงู ไปซื้อมะพร้าวมากันเปลือกน่ยคุณกินเปลือกมาเดือนหรืเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณจะต้องกินเปลือกมะพร้าวเนี่ยแน่เถึงเอามาอย่างั้นคุณจะเอามาเนี่ยกะลามันกะลามันมีไม่มีคุณจะกินกะลามันไหมเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณก็ต้องกินกะลามันแน่อยงั้นไม่เอามาหรอกไอ้คนที่ถือมะพร้าวไปจะเป็นไงโกรธไหมมันจะโกรธไหม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 มันจะหมวดภาษาที่จะต้องพูดในโลกนี่มันเป็นแต่อย่างนั้นอันนี้มันปะพนกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ั้งเราสึ่นเป็นพุทธชนนับถือพุทธศาสนาเนี่ฟังฟังพระธ่รนเทศน์ไม่ค่อยเข้าใจในชาวกรุงกาหลีชาวชนบทกาดี ไปฟังเพลงเป็นกลุ่มไม่ค่อยจะเข้าใจกันว่ะเนี่ยดูที่ that, ไอ้แทกิงก็ไปงานศพเนาะไปงานศพกันโอ้ยแต่งตัวอลามสวยงามเนะต่งตัวดีๆเท่านั้นแหละเี่ไปฟังอะไรดีๆรนตีไปเท็นไตรงนั้นเนี่ยไปแต่งดีๆเท่านั้นไม่มีใครนึกถึงความตายหรือไปงานศพนะ มิดเฮฮาเฮฮาเฮฮาเนี่ฮะทนเรยอนิจจาบทสังขาราให้สังขารไปเถอะเราไม่รู้เรื่องเนาะแล้วก็สรกปชนะนี่อย่างเริมของเราเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นสภาพที่ท่านตัดไปว่ามันเป็นอย่างไรถึงบางคราวที่เรียกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมาพี่น้องเรามันเสียไป ทนร้องไห้ไม่ได้เล น, นะไอ้ใครไปร้องไห้จะมาเห็นไหมหคนนั้นไกลาจากพระธรรมเหลือเกินท่านก็ไปสอนอยู่ทุกวันทุกวันในงานสบตรงนอ้นกันออกการบอกกันไปไปฟังหรือเหมือนไม่มีหูเนาะ <c oughs> นนเนี่ยถลายความโศกเยโยกแหวนหยาเหลื่อ ย, ย, ยอมมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นน่ะไม่ได้ยินนะ เป็นธรรมดาจะแม่ฉันเคียดเดือจะแม่ฉันร้องไายเรอือถ้ามีถ้าถ้าถ้ามีใครไมาทำการร้องไ ห, ห้คนเดียคนมันใจดำนี่พูดไปเงื่อนเสดไม่เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าแต่ตรัสไว้โยมเมืองอำนาจคนหนึ่งเคยบวชมาหลายครรศา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 อืันใจสั้นใจยาวมาอาตจจมากราบหลวงพ่อโอ้ยผมไม่มีทิพพึ่งแล้วเห็นนลพ่อเป็นที่พึ่งของผมเพราะจะทําอะไรก็ผมได้ทําไมแม้ผมเป็นเรื่องใหญ่เลยเกิน่งใหญ่อะไรอะคนนี่หลายในวันนั้นอะไรมันจะเรื่องใหญ่กลัวมันใหญ่ไปมันมีไหมนี่คนต่างหากเ น, นี่ยคนแตมาที่ที่โยมเรื่องอะไรมันใหญ่นะักใหญ่หน่อยแล้วบ โอ้เมียผมตายอุ้ยอันตรมาตกใจนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เว้ยเรื่องเมียเขาตายมันเรื่องธรรมดาเขาในโลกผมก็เซ็นอยู่อย่างนั้นแหละอันตรมาตกใจเลยนึกว่ามันเรื่องใหญ่นี่นี่แต่เมียตายนี่มันเรื่องใหญ่เลร้องไห้แล้วเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้อมอันตรมาเลยถามว่านั่งใครมาก็ใครน่ะ อันนี้มีนน้อยเอ้าเท่านี้ก็พอแล้ว <laughs> อเออเหลือแค่คนหนึ่งก็ยังพอ่อหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยยังคนหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยเนี่ยมีสองอยากจะให้มันยังเหลืออยู่ทั้งสองหรือต่อไปอยากจะมีสามก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเนี่ยเรื่องมันไม่พออย่างปีอยไรงไปพูดมันเป็นเรื่องใหญ่อายเขานีิหมดเป็นจานนี่ยกี่พรรษาแล้วนี่อืม เท่านั้นก็พอเลยอย่าทะเลาะ ก, กันก็พอเลยยิงเหลือกคนเดียวก็วกดีแล้วอยู่สองคนมันทะเลาะ ก, กันนี่อยู่คนเดียวใครมันดีเนีย่ยมันทะเลาะ ก, กันถึงอ่อาอะคนตายก็ตายไปนี่พระพุทธองค์ท่นานว่าเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดารวมเข้าใจไหมว้าถ้ายมไม่มีของจะไม่มีของหายนี่ถ้าใครมีของจะมีของหายเนี่ยเข้าใจไหม คนทำไมจะทำอย่างนั้นหรอถ้าไม่มีของก็คไม่หายก่อนมันไม่มีอะไรจะหายเพราะเรามีมีถ้ามันมีวันนี้มามันก็หายเยหายเราเรื่องถึงสมเด็จกังคราดไม่เห็นดันหรอกอาจจะมากันเลยยิงเขาเล่าเล่าต่อมาแต่มันจะเป็นความจริงไม่เป็นความจริงในในใ น, ในข้างโน้นก็เป็นความจริงในเวลาพูดวันนี้ ท่านไปเมืองจีนซึ่งไม่เคยไปพอไปถึงโอ้ยพวกจีนมันมันถวายถ้วยชามมันเฮ้ยเดือดขึ้นยันเมืองไทยล้วไม่มีหนี่ถ้วยชามาันก็พอจะถ้วยชามาตกมือปุเป็นทุกเลยแม่จะวางไม่ทีไหนอะไรมันทุกซึ่ง ถั้นก็ก่อนทังดีๆยืนจนไม่มีถ้วยชาก็ไ ม, ม่พาดก็ไม่พาดเพราเขาตอยห้ถ้วยชามาเส็จมือพัโอ้ยไม่สบายแล้วจะวางตรงไหนจะเก็บตรงไหนอะไรไมีจะมองเท่านั้นนะเอาใส่ย่ามใส่ถุงใท่กระเป๋าคนมาจับย่ามระวังถ้วยชานะมันจะแตกอะไรของแตกนะมีเน้นอันเดือรนตลอดมา จนมาถึงเมืองไทยเราเป็นทุกมานั่งเครื่องบินมาก็ทุกมาดรื que, ่อยถ้วยชาไปเดียวมันทุกกว่ามันจะมีมีขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนถ้วยชาไม่มีมันสบายอยู่อพอมนเป็นทุกมาถึงบ้าน แ, แต่เลยไปยังเก็บในมันดีเลยนะแง่กาชับเด็กนะนี่นะแง่เนียระวังนี้นะนี้นะนนะถ้วยชาไมนะ่ระวังดีนะเออเจ้ได้มันเป็นทุกในโยม เ, เป็นอย่าง น, านั้น มันทุกข์ในข่าวที่มันมีขึ้นมานี่ไปยืดมันเป็นทุกข์พอดีสามมณีมาใช้วันหนึ่งพอดีทไใ่ดูดมือแตกข้าหลวเออหมดทุกข์ไปทันทีเนี่ยนี่นี่แต่วันนั้นหมดทุกข์เลยถ้วยชามันแตกจะทำไงมันกรีได้หรือถ้วยชามันรินนี่ ก็เลยหมดทุกข์นี่มันบังเอิญให้มันหมดทุกข์โดยโยมถ้าหากว่าตัยชาใบานั้นยังไม่แตกคงจะเป็นเปรียดอยู่นั่นแหละไม่อยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่ตัยชาอของในบ้านโยมคงระ <c oughs> วังนมันจะแตกระวัง <c oughs> ลววเลยอ่ะสวาเออทําไงล่ะนี่ <c oughs> ถ้ามันไม่มีมามันก็ทุกข์ยากจะมีถ้ามีแล้วก็นึกว่ า, วามันจะสบาย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 แต่เรายังไม่มีบ้านอยู่กับท็อปแหม่ฝ่ายฝันไปจากสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไปพูดตรงไหนชั้นในบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ฉั้นก็จะสบายไม่เป็นห่วงเนะ่ะตัวสำคัญเลยนะไอ้ <c oughs> สร้างบ้านหลังหนึ่งมันจะสร้างกี่ปี <c oughs> เมื่อสร้างเสร็จแล้ ว, ลวเรารักษาบ้านนี่นี่สาคัญ มตายายมีบุญตลอดเดี๋ยตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยอจนเด็กๆมันมันเคืองมันนิสไยก็มีตรงนี้มันขออไม่กวาดตรงนี้มันข่อไม่เแ็บอะไรต่ออะไรวุ่นเลยเป็นเปรตกันหมดถั้งบ้านเลย <c oughs> ตอนเช้าก็สอนลูกสาวลูกชายตอนเย็นก็สอนลูกชาลูกสาวลูกชายเพราะ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 ร้อนอะไรก็ยิงเยอะเดี๋ยวหนีไปจ้ะอเดียวบางทีมันบอกไม่มันมโมโหมันมันไม่พูดมันได้ดูดมันงไม่จะไปที่ไหนก็ไม่ไปสักทีแต่ควันมันยินจะตายมาเมื่อไรก็ไม่ตายสักที <laughs> มันอยากพูดตรงนั้นแต่ว่ามันพูดไม่ได้มันนึกขุดถึงคุณพ่อคุณแม่ก็เลอุบุกอิจอยู่ย่งนี้นพูดเสียๆอย่างนั้นแหลอ ะ, ะอืน อ, อ, อยังว่าเราอือเกิดขึ้นมามันเป็นงนั้นไปจิดความโง่ร้ายมันก็ฉลาดไปจิดความฉลาดร้ายมันก็เลยโง่นะ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 อว่านักเรียนมันดือ้อมันเจ้อนี้ก่อนสอนนักเรียนนียครับสอนไปสอนไปแต่ว่าเด็กเด็กนีมันโง่กับคนให้อภัยมันนะอืมมันเป็นเด็กนี่ไอ้พวกครูเราเป็นไงกันเน่ยนี่หันหันหน้านี้เย <c oughs> ไม่อยากจะพูด <c oughs> ครูเป็นไงกันไหมโรงเรียนหนึ่งมียี่สิบคนสามสิบคนไหม แล้วมาขีกันดีไหมหันหลังใจเนยออกไปทั้งนู้นนี่ไม่กล้าพูดอาตมาคว เ, เด็ ก, กมันเือมันคนให้อภัยมันไหมไอผู้ใหญ่ีครูนี่มีคนให้อภัยเขามันจนเป็นครูเขาเนี่ยครูฟังไม่ได้เห็นไหมมีผลเสีดบุดแบบความไม่สบายใจออกไปทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ย มาจะมาด่าฉันทั้งหมดเลยเข้ามากั้งแค่คนนี้ว่าเอาเด็กนักเรียนไปหลวงพ่อเคขียนนี่มันเต็มที่แน่ีน่ยพอเขี้ยนเด็กๆ เ, เขียนไปยังไงเขียนทั้งครูที่เต็มที่ทั้งคน ไ, ไปเลยทันพ่อทั้งแม่ของอย่างนี้ละเราแจวไอความฉาดด่ามดีในโลกถ้าฉาดดาถ้าทาอย่างนั้นถ้าเขาไปทําตามเราแล้วก็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 บอว่านี่นี่สีแดงมันเป็นอย่างนี้สีเหลืองมันเป็นอย่างงี้อยู่ที่ไหนคุณยายสีขาวนี่มันขาวขาวมันเป็นยังไงขาวก็เหมือนปูนขาวน่ะไอปูนขาวตาบอดมันก็ไม่เห็นมันขาวอย่างนงนี้มันมันก็เหมือนปูนขาวปูนขาวเป็นยังไงคุณยายไอปูนขาวมันก็เหมือนนี่ไอสีขาวธรรมดาสีขาวมันเป็นยังไง ไในพูดไปจนหมดให้คนตาบอดไล่ไม่มีหยุดเลยจนคนตาไม่บอดจนเลยไม่รู้ว่าไอ้เปียอะไรมันตอบมันก็ <c oughs> คนไม่รู้เรื่องอย่างห้านกับตา <c oughs> พ่อไปทำมาเออไปบ้านผีครับอ้าวพ่อผีเหมือนคนตายเป็นแบบมันเป็นผีเนี่ยตาตาผีตายเป็นอะไร <c oughs> เป็นสางเนี่ยสางสางคนสางตายเป็นอะไรเว้ยเป็นคางแดงคางแดงตายจะเป็นอะไรอีกเป็นกดพ่อกดธแม่มื่อไจนจนหลานเว้ยหลานมันไล่ กต้นมันปลายไม่มีอย่าไปติ้มโครนมันปลายไม่มีอย่าไปติ้งต้นมันคืนได้ลายมันเดียต้ตนมันคืออะไรคือวันคืออคนคนี่ที่เราอยู่ตวนมันมีวันกับคืนมันคืนมันรวมไครรวมใ ค, รรมใคถ้าพูดกันพอดีก็ดีกว่าคุณเกิดมาในกีปป่ปีแล้ว ถ้าคนถามเนอะถ้าพูดเองมันตรงกันไปแต่เขาเนึ้นว่าเราเล่นตัวนะชาว่ากี่ปีเนะี่ยอายุเท่าไรนี่เกิดมาอายุเท่าไรในวันหนึ่งก็คือหนึงนะั่นน่ะนี่พอดีพอ ด, พอดีแต่คนฟังไม่พอดีนะเล่นตัวนี่หัวเสีีเสียีเนี่ยถ้าพูดพอดีไม่ได้คนนี่อืมพูดพอดีไม่ได้ ต้องพูดไปกับคนคนถ้ามันตรงเกินไปมันไม่เห็นหรอกไม่รู้จักล้าพูดตรงเกินไปอายุเท่าไรไม่รู้มันก็เคืองใจมันนะไอ้ความจรินจริงเราไม่รู้จริงๆเกิดมาใครรู้มะเกิดมาได้่กี่ปีรู้ไหมก็เพิ่งเกิดไม่เจรู้จักมันเกิดเมื่อไรละฮะ ในหลายพอรู้ภาษา แ, แม่บอกครับเขาเขียนไว้เพ่อก็บอก <c oughs> บางทีพ่อแม่เรายิ่งทํา ง, งานบางทีลืมก็ได้วันทิีมันจันบางทีลืมว่า ไ, ไปเกิดวันคานก็ได้เกิดแต่วันทิีศไปเกิดวันคานก็ได้เกิดเดือนนี้มาไปเกิดเดือนหน้าก็ได้คนบบราณสมัยนั้นไม่ค่อยพิธีพิธันไม่อยสิ่งต่างหลายแบบนี้เราไม่รู้จักจริงๆ เรารู้จักตัวมาสักนิดพอภาษานยแม่บอกแม่บอกไปเจ้าจเกิดปัจนุบันน่ะจําจไว้ปีนั่นนะจําจไว้ฝึกไปฝึกมาไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนอื่นบอกโกหกเราก็ได้เพราะเราไม่รู้จริงๆนเนราไม่รู้จักฉะนั้นเราจะพูดตัดสินจริงๆไม่ได้จะพูดให้ตามความจริงจริง ๆ, ๆ, ๆนัะน คนไม่ช่องทุกคมันจะอพูดกันหลายหลายเรื่อง <S <S <ๆ S 1> เคยถามแต่มาน้องพ่ออายุดิกี่ปีละไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ตามเป็นจริงรู้แต่คนบอกนนะไม่แน่ใจพ่อแม่บอกไม่แน่ใจเกิดตอนเช้าหลวงไปบอกตอนเย็นก็ได้เกิดเดือนนี้หลวงไปบอกเดือนหน้าก็ได้แต่ไม่แน่ใจแต่รู้อยู่แต่มันมันรูร้รู้ไม่จริง เมื่อกูเน้นการกัะโนเน่ะรู้ว่าคนโจนแตไม่รู้คนจริงถ้ารู้คนจริงๆเน่ยรู้คนเดียวมันก็รู้คนหมดทางโลกเหมือนกันเท่านั้นเนี่ยรู้ตัวเราแล้วก็เห็นคนอื่นหมดดูสกุลร่างกายสังขารมันมีเหมือนกันหมดถ้ามันเหมือนกันกับเราเราจะไปทําไม่ให้ใครล่ะจะไปเบียนเบียนใครจะไปโกหกใครจะไปทําอะไรให้ใครล่ะ เราอยากทําอย่างไงนหึกตัวเราเราอยากเป็นอยังไงนึกเนี่ถ้าเรารู้ตัวของเราแล้วเราก็รู้ตัวคนทุกทุกคนก็คนมันเหมือนกันทุกคนอย่างเราไม่ชอบเอไอความทุกข์ไม่ชอบอิจฉาไปบาลส่วนตัวเราถ้าเรารู้เราคนเดียวอย่างเนี้ยมันก็รู้ fishing, รตัวคนคนอื่นจะเป็นอย่างนั้นถ้าคนเรารู้ตัวรู้ตนอย่างนี้ทุกคนมันจะเบียดเบียนกันทําไม นีี่เยไปทำคนนั่นก็เหมือนทําเราเองเนี่ยไปอิจฉาคนนั้นก็เหมือนอิจฉาเรานี่เนี่ยก็เราก็คนนั่นกับคนคนเดียวกันมันอนันเดียวกันเนี่ยนี่เรามันเปลี่ยน ส, สภาพมันมาลบแต่มันเปลี่ยนครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรานั่งอยู่นี่นะมันโตขนาดนี้ไหมเกิดมาเป็นเด็กเห็นไหมเมื่อถึงบัดเนี่ย เดี๋ยวนี้กับเด็กมันคนลคนหรือเปล่าหรืมัน ค, นคนเดียวกันไปแต่ดูนี่ น, นะอย่างต้นไม้อยู่หน้าหน้าบ้านเราเนี่ยขั้งแรกมันอยู่ในอกระป๋องนะมันโตโตขึ้นโตขึ้นบัดนี่มันโตถึงโน้นหลายเม็ดเลยแต่ต้นต้นนั้นมันต้นเดียวกันหรือเปล่ากระต้นที่อยู่ในกระป๋องนะ่ยทก ชาตุนนั้นทําไมมาโตขนาดนี้เหมือนไม่ได้ขนาดนั้นทําไมเป็นงั้นนี่มันเปลี่ยนอย่างงี้เลยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างนี้มันก็คือคนคนเดียวกันน่ะเองละ่ะเราทุกทุกคนก็คือคนคนเดียวกันไม่เก่คนละคนแต่พูดถึงต้นไม้ก็ปีนี้ก็เป็นต้นหนึ่งอีกสามปีก็เป็นต้นอื่น ต้นอื่นจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากต้นเก่าต้นมันโตจะเกิดเกิดขึ้นต้นมันเล็กเราแก่แกเนี่ยก็มันมาจากเด็กนี่น้อยนี่นี่มันน่นเดียวกันเั่านั้นถ้าเรารู้จักตัวของเราจริงๆแล้วมันจะไม่รู้จักเปลี่ยนเบียนใครคนเบียดเบียนกันในโลกคือคนโง่ที่สุดนะโง่ที่สุดโคหกคนอื่นก็เมันโกหกเรา อืมนะนะฉะนั้นฆ่าตัวเองทําไมมันจะบาปนี่ยทาไมมันบาปไหมตัวเองนี่ยฆ่าบาปพระต่าัว่าฆ่าบาปฆ่าตัวเองมันบาปมันไม่น่าจะบาปมันของเรานี่นะเดี๋ยวจะฆ่ามันทิ่งเมื่ไรก็ได้นี่ของของเรานี่ยาทาไมกรรมถึงมาฆ่าตัวเองมันบาป เราเข้าใจาตัวเราเองเพราะความเข้าใจของเราเทนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์นนษยรูปร่างแบบนี้มันเป็นมนุษย์มันต่างจากสัตว์มันเป็นมนุษย์มันต่างกันแต่ว่า นี่ยถ้าเามนุษย์เป็นสัตว์มันร้ายกว่าสัตว์นะเนีมันฆ่ามันแกงกันมันทาอะไรก็ได้ทั้งนั้นอนะ่ะอ่าพามนุษย์มันเป็นสัตว์ท่านนั้นจริงมาเรียนพวกเรานี่นะอสอนให้พวกเราให้เป็นมนุษย์อืมให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงอืให้อภัยกันแต่เป็นมนุษย์ให้อภัยกันอืม รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักอะไรหลายอย่างเหมือนกับรู้จักคนอืมอย่างโยมผู้หญิงเห็นผู้ชายจะเห็นว่าเออมีเด็กนะพ่อเรานะนัะ่นเข้าใจอย่างนั้นโยมผู้ชายเห็นผู้หญิงมนมีแม่เรานี่มันเห็นอย่างนี้มันจะทําอะไรกันเนี่ยทําทอะไรกันอาจจะมาเห็นคนแก่คนอย่งเป็นพ่อบ้านครับ แกเข้าใจผิดนึกว่ามันถูกวะเด็กมันดื้อในบ้านในหลายคนมันไปหาโป้นหาขโมยข้ามมันเลียบเด็กมาประชุมเฮ้ยลูกหลานอย่าไปทํางี้ทีถ้าจะทำอย่างี้อย่ามาทําบ้านเรานะนักไปทําน่นไปไกลโน่นเนะนี่ยอย่ามาทําบ้านเราอย่ามาทําไปไปทาบ้านอื่นดีกว่าอย่ามาทําบ้านเรานี่ คนแก่คนนั้นนึกว่าสอนดีเต็มทีแล้วนะนึกว่าสอนดีเต็มทีเนีนะถ้าหากว่าอีกบ้านอื่นนะ่นะนะสอนเด็กบ้านเขานะ่ะไปทำบ้านโน้นบ้านตะแก่นะั่นเนี่มาทำบ้านเราได้จะว่าไงกันละ่ะ <c oughs> <c oughs> คือมีแต่พูดไปโยมไม่ไม่ไมหวนกลับมาดูของเรา คนเอาดีเตือนสมุ เ, เห็นว่าไอ้ตนมันเป็นตนจริงๆเป็นก้อนนี่เป็นต้นมากเกิมีความคิดอย่างนี้นนมีความคิดอย่างนี้เห็นแก่ต้นเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตอนอย่างนี้เป็นเหตุเตยเป็นเหตุให้โลกมีวิบากเห็นเป็นตัวเป็นตนรั้นถือมั่นถือรั้นถือขันเป็นอุปาทานขึ่งเป็นเหตุให้โลกลาข้าฟันกันสารพัดอย่างนะไม่คลาย ถป็นเกลียวนะหมุนเข้าไปทางขวเลยหมุนตึงเข้าไปเลยไม่คลายเกลียวออกมาทางนอกไม่ระ บ, บายออกทางเนี่ย น, นั่นพระพุทธเจ้าองค์ท่นานว่าอะไรไม่เป็นคุณค่าที่จะทําให้มันคลายออกมาคือการให้ทา น, นการให้ทานการให้ทานนี่ก็เรียกว่าไอ้ของของเราหามารักษามาน่ะ ให้คนอื่นี่มันก็แปลกนะืืออมถ้ามนเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วแตมันต้ไม่อยากจะให้ไครนะอืมให้ทานบางอย่างก็เห็นแก่ตัวแต่ว่าอยากได้บุญนี่อันนี้นะเห็นแก่ตัวอยู่แต่ว่าอยากไปบุญก็เป็นเหตุยห้อให้ออกให้ผีตายเป็นทานบาตรมีเป็นบุญไปสร้างบุญกันทําบุญกันสร้างภพอย่างนะ บางทีจนกระทั่งว่าไอ้ปลาอยู่ในแม่น้ําใหญ่ๆก็ไปจับมันมาหาพระฉันไปปล่อยสัตว์เนี่ยปลอยสัตว์เอาเอาบุญบางทีหอยมาอยู่ในน้ําไปจับมันมาหาพระเอาไปปล่อยบางทีอยู่บ้านกกโคกไปปล่อยสิยแม่น้ําี่ น, น้อยมันตายสิเลยนะให้มันอยู่ที่เก่ามันไม่ดีเดือจับมันมาปล่อยทําไม มันอยู่เมรุน้ําใหญ่ๆดีกว่าเราจะจับมันมาปล่อยนะถ้าจับมันมาปล่อยดี๋ยวก็ไปขออาบุญกับมันอีกเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องอันอันนี้ก็นึกขันเหมือนกันนะอาจะมาไปผวาดเป็นวันเขาปล่อยนกกันน่ะจับใส่กรงมาปล่อยนกปล่อยแล้วก็มันก็บินไปมันหนั่งใส่ไปเอาอาหารเนี่ยมันกินมันก็มาจับมาขายอยู่อย่างนั้นแหละ เห็นนกปุ๋มเก่าเนี่ยขายตลอดเวลาขายสร้างบ้านสร้างเรือน <c oughs> นีน่นั่นอะไรที่เดินประวัตอาตมากรหมูไปในตรงนั้นยันนี่น้องพ่อชื่อนกขายจะมามาเกิเป็นพระแมกันนะมายืนมองหนะ้าบอว่าโยมใครจับมานี่เอามือขี้ใส่กรงนกใครจับมันมานี่โยม อั้นยี่ป่ะอ้าวใค้จับมันมาคนนั้นก็ปล่อยมันมเร่เอะไรนี่อยากจะเอาบุญกับนกอยากไปเอาบุญอย่างนั้นไปจับมาในคนอื่นมาไอ้นคนนี้ิงอยากจะเอาสตางค์อะไรอย่างเงี้ยเออบุญไอ้ปลามั น, น, น, นอยู่ในหนองมี้นี่เนี่ยไปจับมาปล่อยเนี่ย ม่าฉันได้ปล่อยปลาแล้วหอยดีๆก็ไปจับมาปล่อยกต่ฉันได้ปล่อยหอยแล้วอมันปล่อยอยู่เองพวกมันแล้วไปจับมันมาปล่อยทำไมบางทีเราเอาปล่อยใส่เมน้ําน้อยนะแรงมามันเแห้งไปมันก็ตายปล่อยไปให้เม่น้ําใหญ่ๆมันดีมันพอแล้ยไี้คนทําบุญนี้มันก็ยากนายก คือหาเอาบุญไอ้ความเป็นจริงนั่นไอ้บุญนี้มันปลายเวทนะมันอยู่ที่หลังบาปให้หนักในการในการทำบาปนั้นมากๆโยนั่นตัวสำคัญมันให้หนักในการละบาปในทางพุทธศาสนาท่านก็สอนนะสะปปาปัสสะอาการนัง กุตรธะสู้ปัสมปธาสักิตะปริโยธปนังเอตังพุทธสาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจภาษาชนาท่ปาป่าปัสสะอาการนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่ะเลิอแต่จงหัวใจระษาชนะเนี่ย <c oughs> พุทธะสู้ปัสมปธา <c oughs> เมื่อไม่เบียดเบียนอะไรทางหลายทางปวงแล้วใจมันก็สบายสปปงบลงตอนนั้นมันจะเป็นสมาธิแล้วนเมื่อจิตสงบแล้วมันค้นว่าในตัวของมันเองมันก็มีปัญญาออกรู้ว่าดีชั่วกิจถูกบาป บ, บุญมันรู้ขึ้นมามนก็เป็นปัญญาสามอย่างนี้่มันเป็นหัวใจพุทธศาสนาอืแต่ว่าคนเราบางคนนะ บางทีก็อยากจะเอาบุญ น, น, นี่ผ้ายังสกรปรกอยู่ยังไม่ทําสะอาดอยากจะย้อมสีเสรแล้วสวยไหมลองเอาผ้าเช็ดเท้าหนึงที่ไปย้อมสีดีนึ่งพี่ยังไม่ฟอกมันจะกลินสีไหม ย, ยิ่งร้ายกว่าเก่าอีกแล้วนี่ยิ่งสกรปรกจริงไปทาแป้งหน่ดิไม่ต้องทํำในสระมันจะสวยไห ม, นนนมเนี่ยการกระทําบาปเนี่ยการไม่กระทำบาปเนี่ยมันเลิศ มันเลิกที่สุดอ้าวการกระทำบุญด้วยการเอาของให้คนนี้บางคนบางคราวนะโจรมันก็ให้ได้มันแจดคนได้แนะนำมาให้ให้ให้ทานก็ได้แต่ว่ามันที่ให้ทานเพียงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเอาของให้คนก็ได้แต่ว่าจะพยายามสอนใหมันหยุด เป็นโจรนนะ่ะคือให้มีศีลห้านะ่ะโอ้ยมันไม่เอาแล้วเนะี่ยมันยากไว้แล้วนะ่ะมันยากที่สุดตรงนั้นนะ่นะอมันยากที่สุดอืมนะการจะลาความชั่วนะ่ะไม่กระทำความผิดนต่มันยากคนเรามันยากการกระทําบุญทุนทานนี่มันได้จบับตูโจรมันก็ทําได้นะี่ไม่เป็นปายเหตนะุมา การไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนึ่งน่ยมันเป็นต้นเหตุหายากการละบาปอาชมาทิ้งว่าละบาปห น, นอืมไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นเน่ะมันก็มีความสบายบ้างมีความทุกข์บ้างอยู่เป็นธรรมดามันอืมถ้ามันเป็นโชคมาบุญของอิฉันเปน็นมุ่นเนี่ยถ้ามันโชคมาเออกรรมอะไรนาะของอิฉันนาะเป็นอย่างนี้เนาะ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 เที่งเลยเด็กก็เอาขันก่อไปตักมาอีกใส่ทีหนักเมืเ่อไรมันจะหมดไหมเอาออกขันหนึ่งเอาเข้าขันหนึ่งเอาออกขันหนึ่งเอาเข้าขันห น, เ, นเต็มเมื่อไรมันหมดไหมนี่เรียกว่าอเอาออกก็ออกเอาเข้าก็เข้าทำบุญก็ทำทำบาก็ทำมันก็อยู่อย่างงี้เอาออกไปนี่ก็ว่างไปอีก หายเต็มไปมันว่างเอาหายเต็มเรียกเมื่อใส่มันก็เต็มอีกก็หายว่างอีกมีอยู่นีนะ่ถ้าหากว่าเราเล่าบาปทําไงเอาขันขันหน้าหนังมาตัดน้าในตุมนะ่มนาทีนึ่งจะตัดคลุกเทออกอีกนาทีที่สองก็ตัดคลุกเทออกเทออกเท่านั้นในท่องเทเข้านะนะ้านะนะนะในตุม่มมันจะหมดไหม ไม่ต้องยกทั้งตุ่เทแล้วเอาออกกีละขันเนั น, นแหละยาเอาเข้ามาเพิ่มอีกไม่นานน้าหมดไม่มีเหลือนีน่วะการละบาปเป็นอย่างนั้นมันหมดกรรมหมดเรียนไปอยงนนทุกวันนี่พวกเรานั้นเนี่ยเอาออกขันหนึ่งเอาเข้ามาขันหนึ่งหือเอเข้ามาส อ, อไม่รู้ <c oughs> เ <peach noise> นืออกมาสองมาสามก็ไม่รู้ อ, อยู่อย่างเงี้ยมันก็พบอยู่เนี่ยเราทำอย่างนั้นมันก็ดีบ้างชั่วบ้างบาปบ้างบุนบ้างแหพลังภระนะกวเป็นอยู่ในอยู่ในโลกมันเป็นอย่างงี้บางทีก็ในอารมณ์ี่ชอบใจบ้างบางทีที่อารมณ์ใจไม่ชอบใจบ้างอารมณ์ี่ชอบใจก็สุขสบายอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ บนะบวนการมีชันอะไรเนาะกรรมมีชันอะไรนาะนี่มันก็กรรมที่เราทําขึ้นนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักมันกรรมมักรร ม, ม, รรมจะทำในเมื่ อ, อไรก็ไม่รู้มันมันทําอยู่นั้นยิงน่งชาติหลังมันจะทําอย่างนี้เรื่อยมาบางทีเรามาพึ่งพึ่งตื่นเ ก, นกินชาตินี้ก็พึ่งแก้ไขบัญชาตินี้มันก็นานไปซะหน่อยหนึ่งเลยนี่ มันทํามามากอย่างนี่อย่าไปสงสัยมันติเราก็าจะไปทําอะไรกันมันก็ลําบากบางคนก็อหาอยู่หากิตไม่ค่อยร่ํำรวยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องอืมบางคนจนเล่งไปหาไอ้คนซุ่มอ่ะสู์เจ้าเข้าซุ่มไปดูดูชั้นจะเป็นในฉันจะมีโชคไหมฉันจะมีอะไรไหม ถ้ามันไม่มีไม่มีเคราะหฉันจะมีเคราะหไหมอะไรหมอ้าหรือเป็นว่าไม่อยุดกันสักทีหนึ่งไวอย่างนี้ตามไปอย่างนั้นหมดคือคนไม่ไม่เห็นในตัวเองไปเชื่อคนอื่นวันหนึ่งชาวอำเภอกันทรักษ์มาออกทำการล้านข้าขายไม่ไม่ค่อยมีใครมาซื้อ น้อยโอกน้อยใหญ<ฮ>่เขาบอกหนกพ่อวัดนุ่งโบูบโงเว้ยไปหาท่านถามว่ามันสบาย <c oughs> เลยมาว <c oughs> ัน้องวันเนี่ยาไปไปอยู่ว <c oughs> ันนั้นได้มาพบอยู่ที่บนโบสถ์บากมาว่าขอของดีของหลวงพ่อของดีอะไรออกร้านค้าขายอะไรไม่มีใครมาซื้อเจียวหลวงพ่อไปขายด้วยนะ อยากจะได้ของดีๆไปอะไรมันจะดีมันจะดีกับกายวาจาของเจ้าของเนี่ยค่อยๆพูดดีเงินมันอยู่กับคนค่อยพูดไอ้คนจนคนรวยสาไหนเนี่ยเื้ยรู้จักผ่อนผันที่ทำไอ้ของดีๆเอาไปไว้ในบ้านนไปวางไปมันขายดีๆจนชาวเมืองกันทารักไปเลยขายเลยโยมขายคนเดียวจะสบายไหมโยมจะอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ย ให้มาซื้อในบ้านโยมเท่านั้นแหละเดี๋ย ว, ย ม, วมียวโยมก็เดือดร้อนเดือดร้อนก็ยิ่งกว่าเนี๋ยวนี้ให้ค่อยๆช่วยกันขายไปเถอะแบนขายไปเถอะอย่าไปเอาคนเดียวเลยไปเอาคนเดียวมาแล้วสนนน้องเดี๋ยวก็กมาปนสนนนี่มันจะอยู่สบายไหม <c oughs> ไปทําอะไรกัวอย่างนี้คนคนคิดจนเกินไปเนี่ยอืมไม่ทันไม่ทันใจหรอก อยากจะให้มันไล่อย่างนี้โอ้ยอัตมาบอกจะค่อยทําไปเถอะมันไม่โจร น, นอกโยมมันมีตามีเช่งมีขามีวัญวะทุกสิ่งทุกส่วนเราพยายามเถอะปฏิบัติธรรมไม่โจร อ, อัตมาเห็นคนไม่โจรมองเห็นแต่ว่าโจรก็ไม่เชื่ออัตมาเห็นเชื่อโยคนึงคือไปเห็นด้วยตานั่งรถไปเดินไป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 มันเสียแต่ย่างมันอยากรวยเกินไปมันพาจทุกข์นั้นเนี่ยค่อยๆทําไปดิไอ้ของดีมันอยู่ที่ปากของเรานี่อยู่ที่ใจของเราเนี่ยกายวาจาของเรานี่อย่างนี้มันของดีอยู่ที่นี่จะไปหาของดียังไงได้มันไม่ได้หรอกต้องทําอย่างนั้นผลที่สุดก็เลยไม่มีอะไรเมื่อวันนะั้นเลยให้ชันหมากอันหนึ่งไปซ ะ, อะเอาอันนี้ละ อัตมาก็ไม่มีวะไม่รู้จะอะไรมาเห็นมาก็กินมากันหมากเอาไว้ละดีก็ีทำมันดีมันดีานั้น่เอาอะไรไปมันก็มีมก็ทไม่ดีเอาชันมากไปเท่านี้มันก็ดีนอกจามันจะดีแทให้มันดีเถ้าทให้มันไม่ดีมันต้ดีไม่ได้ท่านั้นแหละจะทยังไงนี่เียวาดีมันดีทชั่วมันก็ได้ชั่ว คนไม่ไว้ใจบางคนใจร้อนเกินไปเนี่ยอื ม, อ ม, อมปลูกต้นไม้จะพูดถึงพืชปลูกต้ น, ตนไ ม, ม้เอาเบี้กต้นไม้มาปลูกตรงนี้ปูกแล้ไม่ดูจักหน้าที่ของเราไว้หน้าที่ของเราเป็นอย่างไรหน้าที่ของต้นไม้เป็นอย่างไม่รู้เรื่องกันอหอบกําลังไปทําหน้าที่แทนต้นไม้ อยากเห็มันโตวันโตคืนขึ้นไอ้หน้าที่ของตวน้อยหน้าที่ของเรานั้นก็ต้องเอาต้นไม้มาปลูกเอาน้ํำไปรดก็เป็นหน้าที่ของเราเอาปุ๋ยไปใส่ก็เป็นหน้าที่ของเรารักษามแมลงก็เป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นแหละไม่ต้องไปทําอะไรอื่นเออ น, นั่นไม่ยังงั้นดิ ตอนเชา้าคนนี้ไปยืนต้นผลไม้แม่มันนานตัวหรือเปล่า น, น้อนะเมื่อไรมันจะได้กินน้อได้ยิ่งปลูกวะพราวท่านน่ะปลูกไปทําไมมันกินเกีืออูนะั่งคิดไปมันหลายปีนอ้าวตายก่อนจะได้กิน น, นะ้ิน่าคิดไปิดมาไอ้ต้ <c oughs> นมันโตไปงามเน้อไปชิดเอาเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของคนปลูกต้นไม้มันเป็นหน้าที่ของต้นไม้ หน้าที่ของเราให้หน้ามันไปรักษาแมลงไหมอย่างไรให้ปุ๋ยมันไปเท่านี้จะกลายไปทําหน้าที่ของต้นไม้ก็ทุกข์เลยทีนี่ mm. ไม่ดีมันนานโตอะไรกันดินตรงนี้มันไม่เคยจะมีปุ๋ยดีเดี๋ยมันเนยถอนไปปลูกที่นั่นดีกว่าถอนไปอีกถ <c oughs> อนเป็นรากมันก็าขาดไปอีกแล้วนะเอาไปปลูกจะมันเหงาเงี้ยนั่ น, นแหละไม่โตจะทีอีกแล้วเอ้า นานไปลันมาก็มันนานโตแล้วหรือตรงนี้มันดินไม่ดีหรือถอนที่กูกเพราะนันน่นหยีไ้ไม่ตายเลยไม่ดีจรี๋นี่ไอ้คิดใจของคนมันเป็นอย่างไงเนี่นคยค่อยๆทาค่อยๆไปเราไม่รู้จกหน้าที่ของเจอบของหน้าที่ของต้นไม้ไอ้มันจะร่ามันจะดวยไะเราทําดีไปเถอะเป็นพื้นไปนั่นเอืม ทำดีไปเป็นพื้นขยันไปเธอเป็นพื้นอย่าไปทิ้งมันใครว่ายังไงก็อย่าไปอะไรมันทาหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆมันจะมีมันก็มีมาเองมันจะเป็นมันก็เป็นมาเองมันจะอะไรมันก็เป็นอะไรมาเองมอมันคนนั้นแหละเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้มันก็มีหยุดทำทำงานได้มีสเตจปลูกต้นไม้ดูทีว่ามันไม่มีทุกทำงานดูทีว่าตองไม่ตรงทุก ทำเพื่อการทำดูไปดูหน้าที่ของมันหน้าที่ของเราคืออะไรก็ต้องดูจากอย่า ง, งา น, นั้นี่เอาแต่สุกอย่างเดียวสุกอย่างเดียวเอาแต่อย่างเดียวเอาดีอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอามันทำแต่บิตีคูนตรงนั้นนี่เว้ยบิธีรบมันไม่รู้จากคุณมเมเดียนวิธีหารต้องไม่ทำเนี่ยมันจะไม่มา <c oughs> บิธีบวกก็บิธีคูนไม่จะบิธีใส่เลยล่นะทั้งหมดเท่านั้นไง ไม่ไม่พอใจเราไม่สมใจแล้วก็มองข้ามรั่วไปหาคนอื่นเท่านั้นเนี <c> ่ <oughs> ไปหาหลังแก่คนอื่นคระอืม <c oughs> นี่ยก็ออกเท่านั้นเนี่หาเดือนต่างๆนี่หยิบฉาดพยาบาทเจรพัดอย่างเพราะผมไม่รู้เรื่องบาต <c oughs> นี่อีกนี่ฉะนั้นจริงไม่บอกว่าวันนี้ว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัตรนี้เราทําอะไรอย่าให้รู้จักทีเราทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้